กองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้226บบรรดาปัจจยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทยัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทานี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีเป็นไฉนิปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารกายสังขารบจีสังขารและจิตตสังขารในสังขารเหล่านั้นปุญญาพิสังขารเป็นไฉนะเจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจรเป็นบรูปาวจรสำเร็จด้วยทานศีลและภาวนา นี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารเป็นไฉหนเจตนาที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรนี้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารอาเนญชาพิสังขารเป็นไฉหนเจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรนี้นเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารกายสังขารเป็นไฉไหน กายสัญเจตนาเป็นกายสังขารวจีสังเจตนาเป็นวจีสังขารมโนสัญเจตนาเป็นจิตตสังขารเหล่านี้เรียกว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2องเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉไนจะขูวิญญาณโสตวิญ ญ, ญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณ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 มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คืออุปาทายรูปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมี2 2งเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นฉไน จักขายัตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายัตนะกายายตนะและมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี2องรเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสะจึงมีเป็นฉไนจักขุดสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีสองเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนเวทนาที่เกิดแต่จากขู่สัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานัสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี232เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นฉไนะรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารส ต, าตัณหาโพธพัตตัณหาและธรรมตัณหานี้เรียกว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมี233เพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไฉไหนกามุปาทานทิฏฐปาทานสีลับพัตุปาทานและอัตตวาทุปาทานนี้เรียกว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีสอง เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉนะัพบสองคือกรรมภพและอุปปติพบในพบสองนั้นกรรมะพเป็นฉนหะนปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอาเนญชาพิสังขานนี้เรียกว่ากรรมภพกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่พบแม้ทั้งหมดเรียกว่ากรรมภพ อุปติภพเป็นไนกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการะภพจตุโวการะภพและปัญจโวการภพนี้เรียกว่าอุปัติภพกรรมภพและอุปัติภพดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเป็นฉไนะชราหนึ่งมรณะหนึ่งในชราและมรณะนั้นชราเป็นฉไนะความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหักความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมอายุความแก่ง่องอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรา มรณะเป็นฉไนความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าคือมริตอยู่การทำกาละความแตกแข่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตินทรียีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะ ชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี237โสกะเป็นฉนะัยความเศร้าโศกกริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในความเกรียมใจความโทมนัสลูกศรคือความโศก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 ความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้รยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะ239ทุกข์ทุกเป็นไฉไรความไม่สาราญทางกายความทุกข์ทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัส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 นี้เรียกว่าโทมนั์สองรออุปายาสะเป็นฉไนะความแขนความคับแขนภาวะที่แขนภาวะที่คับแขนของผู้ที่ถูกความเสื่อมย่าความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสือเส่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ หรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปาญาติสักสองร้ว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั้นอธิบายว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า กองทุกข์ทั้งมวลนี้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สุดตันตภาชนีจบ 2. อภิธรรมภาชนีประกอบด้วย 1. ปัจจยะจตุกะอวิชามูลกไนยัย243เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 อุปาทานที่มีตัณหาเป็นเหตุจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้น้วยอาการอย่างนี้เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุจึงมี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 กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เห hey, hey, ตุเหตุจตุ ก, กะจบเห hey, hey, ตุจตุ ก, กะจบ 3. สัมปยุตตะจะตุ ก, กะอวิชามูลกนัย245เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุตด้วยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย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 เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุตด้วยผัสสะจึงม <igo ath> ีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่สัมปยุตด้วยเวทนาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่สัมปยุตด้วยตัณหาจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สัมปยุตตะจตุกะจบ 4. อัญญมัญญจตุกะอวิชามูลกนัย246เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 แม่เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจ <Grade> ึงมีแม่เพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีแม่เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัย